ยังมีภบมีชาติเอียน่ายแต่เกิดเป็นวัตฏะสงสารหลงแล้วหลงอีกโกดแล้วกด อ, อีกทุกแล้วทุกอีกสองเก่าๆยังเอามาจังไม่ได้ผ่านน้ำเน่าไม่เคยผ่านไปกักขังอยู่กรมหลง ความโกรธความโลภ ค, ความทุกความรัความชังเหมือนกับจำเหมืนน้ำเน่าไม่ไหลผ่านการมีสติเหมือนกับพวกน้ำเน่า <c oughs> ไม่เป็นน้ำที่ดีแต่รู้ทีใดก็ดีไปเรื่อยๆถ้าหลงก็เน่าอีก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 มีเบื้องต้นมีท่ามกลางมีที่สุดอย่ายประมาทแล้วก็มีจริงทำได้จริงเรามีความพร้อมมีกายมีใจมีรูปมีนามละความชั่วได้ทำความดีได้ทางกิจให้บริสุทธิ์ได้ ก็มีรูกมีนามมีกายมีใจมีโลกตูกโลกนามโลกมีรูปมีนามมีอายตนะตาหูจมูกดีนกายใจมีรูกมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีสัมผัสมีอารมณ์เรียกว่าโลกรสของโลก มันก็มีจัตโลกยัอมติดรถของโลกตาก็เกิดการเห็นเรียกว่าจักคูสัมผัสแลหว่างจักสุกสักคูสัมผัสมันมีไรช่อนอยู่ตรงนั้นถ้าไม่รู้ก็เป็นสมมุติบัญญาตนาแทงเข้าไปเป็นความพอใจไม่พอใจ ไปเสร็จแล้วไปทางตำก็ำมีสติฝึกไว้ก็จะใช้เห็นสักว่าเห็นรถของโลกก็ไม่ยิ่งใหญ่ไม่โขขะเรียบเรียบเพราะเราเคยเดินดชำนานในการเดิน ตอนรลูกเนี่ยมันทำให้เรียบ <c oughs> ได้เห็นลูกเรียบต้องใหโลกกูกโคก ข, ขะพอใจไม่พอใจสมติปัญญ<ะ>์ความชอบความไม่ชอบอเกิดขึ้นควมรักความจังเกิดขึ้นหรือ ว, ว่าจะขคสัมปชัน หูจมูกดิ้นกายใจก็มีคู่กานะคิวหากายมโนโสตกานะคิวหากายมโนโสตคือหูกานะคือจมูกคิวหาคือดิ้นใจก็คือสมผลมโนคือใจ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 อันหาเกิดเกับกรูปความนามเกิดเกบคกายกิดใจดจะมีเปดหมือสีพันอย่างจะรยได้ทั้งนั้นต่อได้ทั้งนั้ น, น, น, นดัทงที่เราสาธิเพื่อสูตร ส, ตรสวดมนต์ธรรมวัตรเช่าธรรมวัตรเยน็น ไม่ใช่หรอว่าแต่ปากมันเป็นจริงเป็ น, ปนคำพระโอษฐออกจากพระโอษฐ์ของผู้จ้าเป็นโกรจรนาศไม่ใช่อ้อนว อ, อนเป็นเสียงโกรจรนาศเราคำตรัสของพระเจ้ามาสวดดะให้เหมือนกับ เสียงพระเจ้าให้มันได้อย่าไปอ้อนวอนอย่าให้เพี้ยนไปจิตใส่ใจตามคำว่าโกจะหนักไหยมันบาบรูไม่เที่ยงมันทะว่าเขาว่ารูไม่เที่ยงมันถึงใจเราเวทนาไม่เที่ยงมันถึงใจเรามันก็ขี้ล่ามัน เห็นอะไรก็ชี้หน้ามันแล้วก็ก่อยไปเลยจิงใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นมาใช่ตัวตนจิ่งใดไม่ใช่ยตัวตนไม่ควรยึดมัน่นเถือมันว่าตัวว่าตนของเราโกจชนะอย่าว่าแต่ปากให้ได้ไม่ได้นิสัยไปด้วย อย่าให้เพียนโดยเพราะสกอตนาตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้เข่นข้าวได้เวลาเรามีความทุกข์มีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นดองว่ารูสินี่เรา<ด>มันปวดเกิดขึ้นไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยง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 อรหังจำ ม, มาสมบูทธโภพกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าป้ม่ชัดอรหังจำ ม, มาสมบูทธโภพกวาพระผู้มีพระภาคเจาได้เพียนไ้นะไม่ตรงจริงยันะไม่โกจรแ น, นเสียงแบบนี้ไม่โกจราน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 ฝึกกรรมฐานมันจะเห็นชัดเกลนแต่ก่อนมักจะเห็นความคิดเพราะมามีสติมันจะเห็นความคิดเพราะมันดูอยู่แล้วเป็นหลักอะไรผ่านมาก็จะเห็นงั้นเราเลือนต่ออะไรผ่านมาทางหน้าก็จะเห็นหลับก็ไม่เห็นคนมีสติต้องเห็นได้เห็นมันคิดเห็นมันทุกข์ก็มันทุกข์นาทกแล้ว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 มุมอิงไปองนิมิตนี้ไว้ก่อนเห็นก็เสียไว้ก่อนนก็มองมองต่างมุมมองข้ามไปจะไปจนหัดยกตนลเรียกว่าเดินทางข้ามไป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 โดยจฉพะเจ็บเจือเจ็บหมอนเพียงแต่เจอเท่านี้เพราะนั้นเราจึงต้งไหนที่มันอ่อนแอเข้มแข็งมันจะพ่ายแพ้กตศลสอนเจอเนี่ยบทเรียนจากชีวิตของเราเนี่ยมันดีที่สุดเลยมันเป็นการสอนเรอยิ่งกว่าคนอื่นสอน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 ก็ไม่หัดมันไม่เป็นเราเรียนรู้เป็นแบบหนึ่งใครก็รู้รู้หรอทาไม่เป็นโดยเพราะเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยไม่ใช่รู้หัดให้มันเป็นอันรู้เป็นวิชาอันเดินก็รู้ได้อันกรรมาฐานมันเห็นมันเห็นแจ้งได้เห็นแจ้งด้วยวิปัสสนา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 ถ้ายัางไม่ข้ามตรงนี้ถ้ายัางไม่เปลี่ยนหลงเป็นรูปเราไปไม่ถึงแบบเหนือยังไม่เหนือยังไม่จบยังมีความทุกข์พวกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแน่นอนที่สุดตัวาทางไกลความหลงก็เป็นพวกเป็นชาติอยู่ตัเวียนว่ายตายเกิดหลงเรื่องเก่าหลงแล้วหลงอีกทุกเรื่องเก่าทุกแล้วทุกอีก กดเรื่องเก่าโกดเลรรื่องก่าอีกเหยวเวียดพัดตัดแล้นกนติดอะไรที่เป็นภายนอกติดนอกติดปุรีติดชีชิตเฉพติดทั้งหลายเยยยดี๋มันหิวหิวแล้าก็จะเดิมก็จะเดิมก็จะเดิม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 ผมอยู่ในภาพแบบนี้ไม่ได้ผมจะเลิกผมจะเลิกยอมอยู่ในภาพแบบนี้ไม่ได้ผมจะเลิกผมจะเลิกถูกท้องคำพูดของเขาแต่การกระทำมันสำคัญกว่าไมต้องไปพูดมันต้องไปคิดแบบนั้นทำลงไปดูสิวเวลามันหิวหรอกูจะไม่ดื่มกูจะไม่ดื่มงลงาตอนนั้นนะ่ะ เลี่ยเราไม่เหี่ยวกูจะดืม่มกูจะดื่มแล้วกูจะสูบกูจะสูบกูจะสูบเนอมันเหิวขึ้นมากูจะไม่สูบมันบุตริกูจะไม่ดื่มมันเอามาดูสซเปลี่ยนตรงนีน้นี่คือกรรมการไม่ดืม่มการไม่สูบหรือว่าตัดกรรมไม่ใช้่ลมควันพิดที่ว่าไม่ทํากรรมเมื่อไม่มีกรรมก็ไม่มีกิเลสไม่มีวิบาก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 พอตายเห็นปับก็บบออกไปแล้วสมมติบัญญัติพอใจไม่พอใจโ <c oughs> อ้ที่เห็นเสียงก็ไปแล้วจะบกได้กิ่นเล่นรถไปแล้วสัตว์โลกติดรถของโลกไปแล้วจึงมีสติสอนความพอใจความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ มิสติเห็นกายชววกายนิสติอัตาปิสมชชโน ส, สติมาทวิณห์โลกเกวิชาโทมาสังถอนความพอใจแล้วความไม่พอใจในโลกเสียดายนิสติแล้วแล้วอยู่ถอนออกมาอยากเข้าไปอยู่อย่าเข้าไปชมมาดูโลกแบบไม่ดู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 ตัวเมื่อคนนั้นเขาได้สัมผั์ดูแล้วจึงจะโมปัจจตังปัจจตังเวชิฏโภยโยหิติเป็นของโลดได้เฉพาะตนโนงโงเนี่ยช่วยกันมาได้เจึงมีวิชากรรมฐานคุณเจ้าวางไว้า <c oughs> วางไว้สติปัฏฐานทีสติปทานสูตร วิจูดทั้งหลอยตวจบบนจะบริผ่านยาประมาทสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงทั้งหลายจงย้อค่อยหมาดให้ถึงพร้อมเถิดไม่อาจสั่งไปเรื่องนี้สั่งไปจนวาระสุดท้ายพสั่งอย่างนี้พระเจ้ากวานิพพานไปไม่มีอีกแล้ว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 กรมหลงกรมโกรธกมโลภกรมทุกข์มันล่าสมัยมันลาสมัยแล้วอ ย, อ, ยลอย่าดื้ออย่าดื้อหลงอย่าดื้อโกรธอย่าดื้อทุกข์อยู่ห้ยกันอคนไม่ควรไปอวดไปอ้างกันอะไรบียดียนกมัมจึง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 สติมีสมาธิมีปัญญามีควรู้สึกอะไรได้หรือ ว, ว่าวิญญาณทธาตไม่รู้อะไรได้อย่าจนเรื่องใดทั้งสิ้นในการในใจเราเนี่ยให้เป็นบทเรียนของเราพัฒนามันด้ว่าวิชากรรมฐาน <c oughs> ไม่เสื่อมไม่เสียมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้แน่นอนในความหลงก็ ม, มีความไม่หลง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 อ๋อสมควรใช้เวลาอาัพพร้อมกัน